วันสังขารลองหรือวันสงการานต์หรือปีใหม่เมืองตรงกับวันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นวันแรกของเทศกาลประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยหลังเที่ยงคืนวันที่13เมษายนจะมีการจุดประทัด ย, ยิงปืนเพื่อส่งสังขารหรือไล่สังขารวันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทำความสะอาดบ้านเรือนทั้งบนเรือนและใต้ถุนบ้านทาความสะอาดเจ้าที่ สารพรภูมิบางท้องถิ่นจะทำคานหามใส่ดอกไม้ทูบเทียนต้นดอกต้นเทียนเรียกกันว่าต้นสังขารแล้วพากันแห่ขบวนเอาคานหามเป็นลอยน้ําเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองปีก่อนช่วงสงกรานต์เราได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกก็กะจะเช่านอนโรงแรมทั่วไป แต่เพื่อนของเราคนหนึ่งนั้นมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยชวนกันไปนอนที่บ้านของเพื่อนคนนี้เรากับเพื่อนๆก็ค่อนข้างเกรงใจพร อ, อยู่เหมือนกันเพอไปกันหลายคนแต่สุดท้ายก็ตกลงที่จะพักบ้านของพรมันช่วยประหยัดไปได้มากเลยทีเดียวทั้งค่าเช่าห้องและค่ารถเพราะพ่อของพร น, นั้นอาสาสมัครจะเป็นคนขับรถพาเที่ยวหมดเลย เมื่อถึงวันเดินทางพวกเรากลุ่มผู้หญิงทั้ง6กร็รวมตัวกันเพื่อจะออกเดินทางแล้วมาถึงยังจุดหมายในเช้าวันที่12เมษายนพ่อของพรก็เอารถออกมารอรับพวกเราที่สนามบินตั้งแต่เช้าหลังจากทักทายและสวัสดีคุณพ่อแล้วพวกเราก็นำสัมภาระทั้งหมดที่นำมาผลขึ้นไปบนรถกระบะแล้วปีนขึ้นไปนั่ง คุณพ่อก็ขับรถพาเราไปแวะซื้อของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมทั้งอาหารนอไว้ตุนยามหิวเนื่องจากว่าบ้านของคุณพ่อนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองมากพอสมควรเป็นหมู่บ้านเล็กๆทางเข้าเป็นถนนลาดยางสลับกับลูกหลังตอนกลางคืนบริเวณนี้จะมืดมากเพราะไม่มีเสาไฟและจะต้องขับเข้ามายัางตัวเมืองอีกหลายกิโลพอไปถึงบ้านก็เจอกับคุณแม่ คุณย่าและพี่สาวของพรพวกเราก็ทักทายและสวัสดีพวกท่านจากนั้นก็พากันเข้าครัวไปเตรียมของต่างๆกันโดยคุณแม่ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้วันที่13เมษายนจะเป็นวันสังขารล่องโดยชาวล้านนาจะมีความเชื่อว่าจะมีปู่สังขารย่าสังขารล่องตามน้ำมาแล้วนำความอัปมงคลโรคภัยไข้เจ็บ และความโชคร้ายต่างๆลอยมากับน้าด้วยพวกนี้จึงต้องตื่นกันแต่เช้าเพื่อมาไล่ปู่สังขารและย่าสังขารแม่ของพรยังสั่งไว้ด้วยว่าคืนนี้ให้อยู่แต่ในห้องห้ามออกไปไหนเป็นนันขาดและให้ปิดประตูหน้าต่างด้วยถ้ามีใครครอบประตูก็ห้ามเปิดยิงเด็ดขาดเมื่อพวกเราได้ยินดังนั้นตางก็สงสัย แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรและเริ่มจะกลัวกันแล้วโดยเฉพาะตัวเราเป็นคนที่กลัวผีมากอยู่แล้วด้วยบ้านที่เราได้พักอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านไม้แบบโบราณยกพื้นสูงและมีใต้ถุนบ้านพอตกเย็นพวกเราทานข้าวกันเสร็จก็พากันอาบน้ำคุณพ่อก็เดินมาบอกพวกเราที่ห้องว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เชา้า ตั้งแต่ตีสจะได้ช่วยกันยกของเก่าซึ่งมีอยู่เยอะมากเพื่อเอามาขัดลางในวันสังขารล่องแล้วคุณพ่อก็ย้ำให้พวกเรายิ่งกลัวขึ้นไปอีกโดยบอกว่าคืนนี้ห้ามออกไปไหนให้นอนอยู่แต่ในห้องนี้เท่านั้นแม้จะปวดฉี่ก็ห้ามออกมาเด็ดขาดให้ทนจนถึงเช้าแล้วพ่อจะโทรมาปลุกจึงค่อยออกมาได้ พวกเราคิดกันไปต่างๆนานาว่าทำไมมันแปลกประหลาดอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้พวกเราจะเจออะไรกันบ้างพวกเราอาบน้ำทำธุระกันเสร็จแต่หัวคำ่ำแล้วก็เข้าห้องปิดประตูเหลือเพียงแสงสว่างจากทีวีพวกเราก็นั่งดูทีวีกันจนถึงประมาณเที่ยงคืนก็ปิดเพื่อเตรียมที่จะเข้านอนพอปิดทีวีเท่านั้น พวกเราก็ได้ยินเสียงคนเคาะไม้ทันทีเพื่อนคนหนึ่งมันบอกว่ามันได้ยินตั้งแต่ต่อหนาบน้าแล้วแต่ตัวเรานั้นเพิ่งจะได้ยินเสียงนั้นเหมือนมีคนเอาไม้กระทุงที่ใต้ถุนบ้านโดยจะมีการเคาะเว้นช่วงทุกห้านาทีโดยประมาณเคาะอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ พวกเราได้ยินกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้จะคมตานอนก็นอนไม่หลับแล้วเพราะคิดถึงคำพูดพ่อแม่ของพรขนาดจะลุกไปเปิดไฟก็ยังไม่มีใครกล้าเดินไปเปิดเลยนั่งเล่นมือถือแทนกดไรเล่นไปด้วยเปื่อยกับเพื่อ น, อนแสงสว่างจากหน้าจอมือถือมันทำให้เห็นเป็นเงาของคนกำลังนั่งกอดเขาโดยเงานั้นสาดลงมาที่พื้นห้อง ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าคงเป็นเงาของเพื่อนแต่หางตากลับมองเห็นว่าเงานั้นค่อยๆขยับมีลักษณะเหมือนกับกําลังยกมือขึ้นเราหันไปมองเพื่อนก็ไม่เห็นมีใครที่ทําท่าทางแบบนั้นเลยตอนนี้เริ่มคิดในใจแล้วว่าคงต้องโดนแล้วแน่ๆ แ, แต่ก็ทําใจดีสู้เสือทํามองไม่เห็นไม่ทัก ส่วนเพื่อนคนอื่นก็ยังไม่เห็นไม่รู้สักพักเพื่อนคนหนึ่งก็ดันปากดีพูดขึ้นมาเฮ้ยเงาใครวะผีเปล่าวะทุกคนหันมามองแล้วก็ต่างพากันตกใจถอยใบกระจุกตัวกันอยู่มุมห้องกันหมดเพื่อนอีกคนมันก็เปิดไฟฉายจากมือถือส่องไปก็ไม่เห็นมีใครและเงาก็ไม่มีด้วยพวกเรา เลยตัดสินใจเปิดไฟห้องแล้วก็นอนกันทั้งท้งที่เปิดไฟอย่างนี้เลยเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มทยอยหลับแต่เราค่มตานอนยังไงก็ไม่หลับแล้วก็ได้ยินเสียงของคนแก่กระซิบที่หูโดยพูดเป็นภาษาเหนือแต่ก็แปลไม่ออกมันเป็นการกระซิบที่น่ากลัวมากเหมือนกับทีวีที่ไม่มีสัญญาณและมีลมหายใจฮือกผลมากับเสียงนั้นด้วย เรากลัวมากตะโกนเรียกเพื่อนจนมันตื่นแล้วมันก็ถามว่าเราเป็นอะไรเมื่อเล่าให้มันฟังเสร็จเพื่อนมันก็ตัดสินใจที่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเราจะหลับแถมมันยังเรียกเพื่อนคนอื่นลุกมานั่งเฝ้าด้วยเราก็เลยได้นอนหลับอย่างสบายใจพอเชา้าตีสามกว่ า, ก, วาก็ได้ยินเสียงประทัดและเสียงปืนของชาวบ้านมันดังจนเราตื่นขึ้นมา แล้วก็พบว่าเพื่อนๆทิ้งเราออกห้องไปกันหมดเหลือเราอยู่เพียงคนเดียวในห้องตอนนั้นเราหลอนมากรีบลุกออกจากห้องนี้ไปแล้วก็ไปต่อว่าเพื่อนว่าทำไมไม่เรียกซึ่งเพื่อนมันก็บอกว่ามันเห็นเรานอนอยู่หน้าแดงเหมือนจะไม่สบายพอแตะหน้าผากดูก็อุ่นๆเหมือนจะมีไข้ซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ จากนั้นเราก็กลับไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าโดยลืมไปว่าเมื่อวานพ่อของพรได้สั่งไ้ว่าห้ามเข้าห้องน้ำด้วยพอเราไปเปิดก๊อกน้ำแล้วนำน้ำมาลูบหน้าก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นที่เหม็นเนามากๆเหมือนมีอะไรตายอยู่ในท่อน้ำก็เลยเข้าส่วมแทนเมื่อทำธุระเสร็จพอกดชักโครกกลิ่นน้ำก็เหม็นมากเช่นเดียวกัน หลังจากออกมาจากห้องน้ำแล้วเราก็ออกไปหาพ่อแม่ของพรและเพื่อนๆที่กำลังทำพิธีกันอยู่ที่ท่าน้ำพอเดินไปถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนตอนที่เข้าห้องน้ำล้างหน้าไม่ผิดเพี้ยนเราสงสัยจึงได้ถามไปว่าทำไมน้ำถึงเหม็นจังเมื่อวานที่ตรงนี้ยังไม่เหม็นแบบนี้เลยพ่อพรจึงได้บอกว่ามันเป็นกลิ่นของความอปมงคล มันลอยมาตามกระแสน้ำถึงต้องมาทำพิธีขับไล่มันออกไปเราคิดในใจว่านี่เราเพิ่งเอาความอัปมงคลล้างหน้าไปเหรอเนี่ยแล้วคนในบ้านก็ไปหยิบสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกระทงเป็นใบตองทำเป็นถาดใส่ดอกไม้ตัดเส้นผมและเล็บใส่ลงไปแล้วปั้นอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนแป้งใส่ลงไปด้วยจากนั้น นำไปลอยเหมือนกับลอยกระทงโดยเชื่อว่าเป็นการลอยความอัปมงคลทิ้งไปเมื่อลอยไปได้สักพักหนึ่งขณาทิตาเราก็มองตามกระทงไปด้วยจุดๆเราก็เห็นมือที่ยื่นออกมาจากพุ่มไม้ซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาตีสามกว่าๆมันยังมืดมากแต่ก็พอจะเห็นลางๆมือนั้นหยิบอะไรบางอย่างออกไปจากกระทงแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าคงจะเป็นเด็กในหมู่บ้านมาเก็บอะไรออกไปเหมือนคนที่ชอบมาเก็บเหรียญในกระทงแต่ใจหนึ่งก็คิดว่านี่มันตีสามนะเด็กที่ไหนจะตื่นมาตอนนี้เราเลยเงียบไม่พูดอะไรเวลาผ่านไปเรื่อยแสงอาทิตย์ยามเช้าก็เริ่มสว่างขึ้นพวกเราก็ไปเที่ยวกันโดยมีคุณพ่อเป็นโชเฟอร์ขับรถให้ตลอดทั้งวัน เมื่อตกเย็นก็กลับมาทำอะไรกินกันที่บ้านแล้วก็อาบน้ำก่อนที่จะค่ำอย่างนี้ทุกวันพวกเราพักอยู่ที่บ้านของพรจนถึงวันที่17ระหว่างนั้นเราก็ได้ยินเสียงคลอบแบบนี้ทุกๆคืนบางคืนก็มาเขย่าหน้าต่างบ้างซึ่งแน่นอนว่าพวกเราต้องนอนเปิดไฟและทีวีกันตลอดจนเช้าทุกวันเลย พอถึงเวลาที่พวกเราจะเดินทางกลับคุณพ่อจึงได้มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พวกเราเจอกันอยู่นั้นคือปู่ของพรซึ่งท่านเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเสียชีวิตไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเพราะเกิดเหตกกุทะเลาะกันกับคนในหมู่บ้านจนถึงขั้นฆ่ากันตายแล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเดินไม่ค่อยสะดวกจึงต้องใช้ไม้เท้าค้าเดิน ซึ่งก็เป็นเสียงข้อไม้ลักษณะเดียว ก, กันกับที่พวกเราได้ยินนั่นแหละซึ่งตอนแรกพวกเราคิดว่ามันดังมาจากใต้ถุนบ้านแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงเดินอยู่บนบ้านรวมถึงในห้องที่พวกเรานอนกันอยู่นี้ด้วย สัมผัสสยอง